ท่านฟังที่เคารพค่ะท่านกําลังอยู่ในระหว่างฟังรายการสั้นฉนีสนทนาที่ท่านมาร์คหรือว่าพระมาร์คแห่งวานาปาพงลำลูกกาคลองสิบได้อ่านประสูตรให้ท่านฟังพร้อมทั้งนําปฏิบัติทำกันผ่านไปมาถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในพ่วงเวลาที่ท่านจะได้ศึกษาคําสอนของพระาศาสดาในช่วงที่เรานําเอาคําสอนของท่านที่เรียกว่าพุทธวจนะนมาตอบคําถามเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะ ซึ่งจะเป็นพระภิกษุอีกรูปนหนึ่งนะคะจากอำเภอหนองหานอุดรธา น, นีก็คือพระภัยบุญอภิปุโนค่ะกราบนพิธการกันทนคะพระอาจานค่ ะ, คะมีบางคนถามดิฉันหลังจากที่ไปเห็นท่านที่อุดรแล้วดิฉันบอกว่าเนี่ยพระอาจารย์รูปเนี้ยจัดรายการด้วยกันอยู่ที่กรุงเทพ ม, มีคนที่เขาเป็นคนกรุงเทพได้มีโอกาสไปด้วยกันแล้วนะคะเขาก็หันมาถามดิฉันว่าท่านมาทําอะไรที่นี่ล่ะ คือเข้าใจว่าท่านคงจําพรรษาอยู่กรุงเทพอ๋อคือก็ปกติก็จะอยู่ที่วัดป่าเราไหนโสกนี่แหละแล้วก็ขอพูดนิดนึงว่าตรงนี้ว่าคือจริงๆแล้วจะมาบวชอยู่วัดบวรในอยู่วัดบวรพรรษาหนึ่งแล้วก็ที่มาอยู่ดอนนี่ก็เพราะว่าเป็นสานีสถานเสนชณะที่มันอยู่แล้วเราก็ปฏิบัติได้ดีแล้วก็ปัจจัยทั้งสี่ก็พอมีพองกินไปได้แล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่สอนเราก็เลยอยู่ที่นี่นะตามปัจจัยที่ ข้อกําหนดที่พระเจ้าให้ภิกษุเนี่ยเลือกที่จะอยู่เลือกบุคคลที่ควรจะคบด้วยไว้ยงนั้นอือันนี้ก็เป็นพุทธวจนะด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะซึ่งคิดว่าก็ยกให้เป็นการบูชาพระเจ้าใน2องมนรอยปีแห่งการตรัสรู้ได้ค่ะเป็นการให้ความรู้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงให้หลักในการที่ผู้ที่ต้องการประพฤติปฏิบัติตามธรรมเลือกถิ่นที่อยู่และบุคคลที่ครบด้วยอืตรงนี้สําคัญเพราะว่า การดารงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติสาวกทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งพระสงค์เนี่ยพระเจ้าให้เกณฑ์ไม่หมดทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรเราจะต้องคิดใหม่เลยคไม่มีเลยจะกินข้าวยังไงจะอยู่กับใครจะอยู่ที่ไหนสร้างยังไงโอเบียบอกหมดเรียบร้อยท่านคะมแม่ดิฉันก็ชอบพาออกนอกคําถามปกติอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่ามไหมคะเพื่อเป็นความรับผิดชอบสําหรับผู้ที่ส่งคําถามหรือผู้ที่คอยการตอบคําถามที่เราค้างมาตั้งแต่ เมื่อวา น, นก็จะถามคําถามเหล่านั้นก่อนแล้วดเดี๋ยวมีเวลาอจะขอกลับมาถ้าไม่มีเวลาก็ยกยอดนะคะคําถามที่จะกลับเรียนถามท่านในวันนี้เป็นคําถามของเจ้าเก่าที่อยู่กรุงเทพแต่ฟังไม่ชัดทั้งที่อยู่แค่นวาวมินเจ็ดสิมีเพลงลูกทุ่งคลอให้ตลอดอก็คือคุณอิทธิพลเนี่ยนะคะวันนี้เป็นคําถามเรื่องการถือพรอาจารย์ของพระอบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติ แ, แล้วการที่พระถือพรหมจรรย์จะเป็นการฝืนธรรมชาติหรือไม่ครับอ๋อถ้าใช่คําว่าธรรมะคือธรรมชาติก็ไม่ถูกต้องสิครับอ๋อโอเคตีล้ประเด็นก่อนนะธรรมะคือธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะแต่ถ้าเราจะแบบพ อ, อจะเหมาเหมาว่าธรรมะคือธรรมชาติได้ไหมก็พอได้นะถามว่าเราดูยังไงจริงๆเราต้องแบ่งธรรมะเป็นอย่างนี้พระเจ้าแบ่งธรรมะเป็นเป็นธรรมะที่คนละมีนะธรรมะที่ ควรรอบรู้มีธรรมะที่ควรทาให้เจริญมีทําบ่อยๆมีนะแล้วก็ hmm. ธรรมะที่ควรทําให้แจ้งมีคือมันไม่ได้แบ่งเป็นโลกกับธรรมนะในโลกนี้คือทั้งหมดที่เรามีอยู่ในโลกนี้คือโลกโลกเนี่ย <Okay. S 1> มีส่วนเป็นธรรมที่ควรละโลกเนี่ยมีส่วนที่ควรรอบรู้โลกนี้มีส่วนที่ควรทำให้แจ้งอย่างสมมุติเราจะบอกว่าโอกินเหล้ามาเบียเนี่ยเป็นเรื่องของโลกโลกเขาไม่ใช่เป็นธรรมที่ควรละเข้าใจไหมธรรมที่ควรรอบรู้ก็มี ในเช่นว่าเรื่องความทุกข์ความสุขนี่เราควรรับรู้นะทำที่ควรทําให้มากๆเลยยิ่งทํายิ่งดียิ่งทำยิ่ง ด, ง ด, งดีคือเรื่องของมรรคอย่างนี้ก็อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเลยแต่เพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าธรรมะธรรมะคือธรรมชาติใช่มแต่ธรรมชาติของใครอะธรรมชาติของคนทั่วไปนะคือปกติของคนทั่วไปเนะี่ยเขาไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไม่รู้ผิดในการไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มจราเมียรอันนี้คือธรรมชาติทํำปกติของคนทั่วไปทีนี้ถ้าปกติของพระสงฆ์ล่ะธรรมชาติของพระสงฆ์ก็ไม่เสพในถุนไม่เสกกาามมน ไม่เสพการนี่คือตำช่างประสงค์เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติที่ควรละก็มีเข้าใจเนาะดิฉันขออนุญาตสรุปอย่างนี้ก่อนเป็นสรุปตามท่านอิทีนะคะได้อันนี้สรุปแบบนักจัดรายการอว่าท่านกําลังพูดถึงโลกนะคะมีธรรมะหลายแบบถูกไหมคะใช่แต่ดิฉันกําลังจะสรุปว่าโลกเนี่ยคือธรรมนั่นแหละเพียงแต่ว่าธรรมเนี่ยมันมีหลายประเภทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทั้งดีและไม่ดี ในความหมายนี้คือธรรมทั้งหมดถูกต้องนะคะแต่เราต้องจําแนกให้ออกไม่ใช่ว่าไปตีขมว่าเป็นธรรมที่เป็นไปนในทางเดียวกันเพราะคนทั่วไปพอพูดถึงธรรมะนะคะท่านคะคนส่วนใหญ่ต้องพูดว่าธรรมะเนี่ยคือขอ ง, องดอีคือบุญคือทางมาแห่งบุญอะไรอย่างนี้ใช่ก็ต้องคือในยะนั้นที่พุทธาคเคยพูดก็มี<อ>แต่ว่าเราก็ต้องคอยระวังนะดังนั้นพระที่ถือพระงมรด์ พรหมจรรย์มันเหมือนบาทไหมคะท่านค ะ, ระพรหมจรรย์คืออะไรคะพรหมจรรย์คือการที่ไม่เสพไมถุนอ๋อค่ ะ, ะนะคะไม่ใช่เป็นของนะคะพรหมจรรย์เนี่ย<ช>เป็นการกระทําใช่ไหมคะใช่การไม่ไม่เสพไม่ถุนเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติน ะ, ะสิลข้อที่สามของสีลแปดนั่นนะ่ะศีลข้อที่สามอส ข, อของสินอ๋อพรหมจรรย์นี่คือศิลข้อที่สามของสินแปดอย่างเดียวเลยหรอคะถูกต้องถูกต้องอ๋อเหรอคะใช่ อ๋อเพราะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนโสดคนไม่แต่งงานแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับใครอย่างเงี้ยเราพูดได้ไหมเขาว่าเขาประพฤติพรหมจรรย์ได้แต่ยังเคยได้ยินคนระดับรองนายกรัฐมนตรีมาแล้วคนหนึ่งนะคะก็เจอหน้าเองงั้นก็พยายามจะพูดถึงเรื่องวัดปฏิบัติในการเป็นนักการเมืองที่ดีแท่ก็จะบอกว่าผมเนี่ยนะถือพรหมจรรย์ แต่ดิฉันเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าพรหมจันทร์คือเรื่องแค่สีลข้อสามเพราะถ้าสีข้อสีข้อสามนี่คือมันไม่ใช่เรื่องเศษเมถุนนี่นะคะท่านมันเป็นเรื่องของการประพฤติผิดในเรื่องนี้ไม่ใช่หรอคะไปก้าวล่วงในหญิงที่มีเจ้าของนั่นคือศีลข้อสามในสีห้าแต่มาองพูดถึงสีลข้อสามในศีแปดอ๋อถ้าในศีห้าเนี่ยข้อสามคือการที่ไม่ประพฤติ ผ, ผิดในหญิงในรูปแบบนั้นๆอย่างที่คุณยมติว่านะ ค่ะอไม่พูดประพฤติจารีตในรูปแบบนั้นแต่ถ้าศีลข้อสามในศีลแปดในศีลแปดนะก็คือเป็นผู้มีปกติประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติเว้นขาดจากการเสพในทุนอันเป็นของชาวบ้าน อ, อแล้วทีนี้คนไปรักษาศีลแปดเป็นระยะระยะรักษาทุกวันพระรักษาทุกวันเกิดก็ไม่ได้ถือพรหมจรรย์เป็นปกติเลยคะ่ะท่านคะ่ะก็ปกติของวันนั้นอะเดือดเดือดจนั้น ส่งไปเรื่อยๆนะคะก็คือสรุปแล้วพระถือพรหมจรรันทร์หมายถึงพระรักษาศีลที่ว่าจะไม่มีเรื่องการเสด็จกล้ามใช่ในความเข้าใจใของคนทั่วไปอันนี้คือความหมายนในวงแบคบในความหมายแบคบว่ามหมายกว้างก็พระเจ้าเคยใช้คําว่าพรหมจ ร, รเนี่ยหมายถึงคำสองพระองค์ทั้งหมดก็มีคำว่าพรหมจรรันทร์คือธรรมะวินัยเนี่ยคือพรหมจรรัรเนี่ยใช้แทนกันได้เลย าศาสนานี้ธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์ น, นี้คําสอนนี้คํานี้ใช้แทนกันได้หมดคนี่คือความหมายในวงกว้างนะค่ะพื้นธรรมชาติหรือไม่ท่านตอบไปไหรือยังนะคะที่ท่งงตอบตอบไปแล้วก็เป็นธรรมชาติของพระเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะคือมันอยู่ที่ว่าเป็นธรรมชาติของใครใช่นะคะก็จริงๆคาถามเนี้ยเคยมีการคุยกันในสมัยก่อนนะคะกับเพื่อนๆอเขาเป็นนักวิจัยทางเรื่อง ความสัมพันธ์ของมนุษย์ทางเพศเนี่ยอื mm hmm. เขาก็บอกว่าอาผู้ที่อยู่ในเพศนักบวชไม่ว่าจะในาศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้ามีข้อบัญญัติไม่ให้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ให้ประพฤติเขาเรียกอะไรคะไม่ให้เสพไม่ทุนเนี่ยใช่ mm hmm. ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าฝืนธรรมชาติไม่ได้คือเหมือนกับว่าถ้าธรรมชาติมันก็อาจจะต้องมีอ่ะพฤติกรรมแบบมนุษย์ปกติที่มีความสัมพันธ์มีการเสพไม่ทุนทั่วไป mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะท่านไม่ต้องตอบอะค่ะเพวาเขาก็เลยสงสัยกัน mm hmm. mm hmm. เป็นเรื่องของโลกมนุษย์ก็ตอบคุณอิทธิพลไปแล้วเราก็มาถึงช่วงของคำถามที่อยากจะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของหลีกเลนที่ติดค้างอยู่นะคะว่าดิฉันเองก็จะบอกกับเพื่อนๆที่เขาเห็นเราห่างหายไปหลายวันไม่ติดต่อในโลกของอสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์ก อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วจะต้องรู้ความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันเป็นส่วนใหญ่คนบนโลกใบเนี้ยไปไหนก็เช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ดีเลยนะคะถูกติดตามแล้วทีนี้พอไปอยู่วัดเนี่ยเขาให้หลีกเดนเขาเก็บโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะก็สวัสดีเลยกลับมามาทักทายกันใหม่โอ้ไปลีกเดนมามีคนถามกลับมาหลายคนมากค่ะออืว่าหลีกเดนอะไรหรออืคือไม่ทราบว่าไปไหนมาค่ะคงจะนึกว่าที่ฉันไปหลบเจ้าหนี้หรืออะไรเงี้ยนะคะอืค่ะ ฤกเรนก็คือการที่แบบไปไปหาที่สงบอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครอน ะ, ะอย่างที่เราพูดไปว่าถ้าสมัยนี้จะไปหาป่าที่แบบอยู่คนเดียวหันไปทางไหนก็ไม่เจอใครมันก็ไม่มีแล้วถ้ามีเขาก็ไม่ให้เราเข้าไปทําอย่างนั้นก็เลยจําลองสถานการณ์ขึ้นมาว่าเออมาอยู่รวมกันซัดแล้วก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวในโลกว่าอย่า ง, งานั้นเป็นการปฏิบัติธรรมอืมค่ะถ้าสมมุติว่าจะสังเคราะห์เอาเข้าไปในพุทธวจนะ การหลีกเล่นนี่เป็นพรหาจรรย์ได้ไหมคะหมายถึงว่าเป็นการถือพรหาจรรย์ไหมคะใช่นะเป็นธรรมวินัยเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าเป็นพาทำประเด็นก็เป็นคําสอนของพระเจ้านี่แหละการบระพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งค่ะจริงจริงเนี่ยเป็นหนึ่งในขั้นตอนคือลําดับขั้นของการประพฤติพรหาจรรย์เนี่ยมันจะไล่มาตั้งแต่ศีลใช่ไหมแล้วก็ไล่มาที่การรู้ประมาณการบริโภคมีสํารวมอินทรีย์มี4สัมปชัญญะแล้วหนึ่งในข้อนั้นเนี่ย ก็คือการอยู่ในเสนาสนะอันเป็นที่หลีกเล่นเพมาะฉะนั<อ>้ น, นะะถ้าคุณจะมาเ พ, ฤ พ, ฤ พ, ฤพาลิดเพลินพรหมจรรย์นะหนึ่งในนั้นคุณในต้องมีการหลีกเล่นแน่นอนในห<อ> ล, ลายข้อมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพระสูตรนี้หรือเปล่าคะที่เหมือนว่าพระพุทธองค์ได้พูดถึงการที่ถ้าคนเราเนี่ยมีโอกาสไปปฏิบัติในลักษณะนี้ซึ่งรวมไปถึงการหลีกเล่นด้วยแล้วก็จะเป็นผู้ที่ทําอะไรก็ได้จะเป็นหูทิพตาทิพมี ผูเ้เชาพูดถึงหลีกเร้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ข้อนะสี่ข้อสามข้อแรกเนี่ยก็พูดถึงศีลสมาธิปัญญาแ ล, แล้วก็เป็นพูดที่ไม่เหินห่างจากสุญญารวัต น, นคือเรือนว่างนี่ตรงนี้นี่คือหลีกเร้นเราไปอยู่ไหนอยู่ในเรือนว่างอสุญญารวัตเนี่ยข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่าง่ะข้อปฏิบัติของผู้อยู่เรือนว่างเนี่ยคือการที่เราจะต้องมีการหลีกเร้นอยู่ค่ะอืม แล้วที่บอกว่าถ้าทําได้ครบทุกอย่างนี้แล้วผลคืออย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยถ้าพูดเต e hm, ็มๆคืออะไรนะคะเออเป็นผู้ที่จะแทงตลอดในี่ยท่าเป็นเอเนกจะจะต้องการอะไรอ่ะต้องการทรัพย์สินสมบัติได้เพราะเขาสมบัติต้องการชื่อสิงย์กิยศได้นันต้องการความสมําเร็จต่างๆได้นะและ<ม>้วก็ผู้ชาก็บอกว่าถ้าต้องการรู้ต่ามที่เป็นจริงก็จะได้ด้วยอ<ม>ืมนี่คือแทงตลอดซึ่งท่าเป็นเอเนกเลยนะแทงตลอดซึ่งทาดเป็นเ อ, อเนกอเนกเยอะมากใช่ไหมคะใช่แทงตลอดก็คือ แทงตลอดก็คือหมายความว่ารู้แจ้งแตงตลอดนะมะมีท่านผู้ฟังที่เคยเขียนจดหมายมาที่ทางรายการนะ่ะที่เคยไล่้คุณยมติ๋วฟังเมื่อหลายๆสัปดาห์ก่อนเนี่ยที่บอกว่าเออพอมีสถานการณ์อะไรตุ้มตามตุ้มต้าเข้าม า, มามอ่ะนั่งปุ๊บอยู่คนเดียวดูหลมหายใจมันเบาลงไปเลยวางได้เลยนีนมันก็ทําให้รู้ว่าของหนักวางแล้วมันเป็นยังไงนะนะที่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนมาแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้ฟังก็เป็นลักษณะนี้แหละคือการอยู่เรือนว่าง ในเวลาเราต้องมีว่างๆเวลาว่างๆคอยมาพิจารณาดูว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยนะค่ะ<ม>ทีนี้ก็มาถึงที่เรียนท่านฟังไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือแล้วก็จะถามที่จะถามต่อนเนื่องจากในช่วงตอนต้นก็คือว่าเมื่อพูดถึงการที่จะประพฤติป ร, รมาจารย์สําหรับในที่คําถามเป็นคําถามเกี่ยวกับพระทีนี้ก็ได้ยินมาว่า คารวาสแบบเราๆ เ, เนี่ยก็ประพฤติพรหมจรรย์ได้เช่นเดียวกันใช่แต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังอยู่ในสังคมทุกๆวันประจําวันของเราเนี่ยจะสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างไรกันนะครัก็รักษาศีลแปดไงศีลแปดเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นอุของอุบาสออบาิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งขาวห่มขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้จะอยู่วัดก็ได้ นะพูดถึงสีแปดสีสีแปดนี่ต้องนุ่ขมขาวหอมขาอย่างเดียวเลยไหมคะไม่นุ่มไม่ได้หรอคะดิฉันไม่เห็นในสีนะคะไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นอันนี้พิจาพูดถึงเวลาที่ไปอยู่วัดเป็น อ, อุบาสก<ซ>อุบาสิการประเภทหนึ่งที่อยู่วัดแต่ทีนี้อย่างนี้คะ่ะท่านคะเหมือนกับว่าสีเนี่ยคล้ายๆศีล5ข้อในเบื้องต้นยกเว้นจะมะีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติยิ่งยวดไปอย่างเช่นข้อที่3ที่ท่านว่าเนี่ยนะคะเรื่องของเศษเมตุนเนี่ยว่าทําไม่ได้ทารักษาศีแป ทีนี้อ่าในเรื่องไม่ให้ไม่ให้นอนในที่นอนอันสูงและที่นอนอันใหญ่อืมอย่างเงี้ยนะคะอนอนตรงไหนได้บ้างคะดิฉันไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดท่านเนี่ยได้นอนที่นอนข้างในเป็นฟองน้ําบางๆนะคะอ่าใช่อนอนได้เหรอคะได้ก็ไม่สูงไม่ใหญ่ฮะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีอ๋อค่ะแล้วและการประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับร่างกายเนี่ยอืม ทำไม่ได้เลยหรือว่ามีข้อยกเว้นบ้างในวเว้นในเรื่องฐานะแห่งการแต่งตัวยังไงคะท่านคะเช่นว่าฉันต้องการสวยอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้สําหรับเมื่อเจ็บป่วยเจ็บไข้เช่นเอาลมันทานหน้าเพราะาหน้ามันแตกอากาศหนาวอันนี้ได้ค่ะแต่สมมุติเนี่ยเราต้องไปทํางานสมมุตินะคะเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่มันก็รักษาได้นะอืแต่ว่าไอ้ข้อเนี่ยต้องออกสังคมอ่ะยังจะต้องไปทํางานที่ต้องพบปะจะเจอใครตามตําแหน่งหน้าที่การงานแต่งตัวได้แค่ไหนคะท่านคะ อันนี้ก็จะเป็นเซนเจสี่เจ็ดอ๋อ ค, คือคือยังไงมันก็มันก็จะหลุดออกไปใช่ไหมใช่ใช่ไม่ฝีจะไม่ครบไปโดยปลยายานั่นก็อาจจะลําบากกับผู้ที่จะยึดถือพระมรมจาชานิดหน่อยค่ะสมมุต <c oughs> ิถ้าถ้าถ้าอริ้มฝี ป, ปากแตกนี้ยคุณจอนลิปมันทางเงี้ยอันนี้ไม่ผิดสีนะแต่ถ้า <c oughs> คุณไม่แตกไม่เป็นอะไรเลยเอามาทาแหมปากนี่ได้มันมันสวยหน่อยอันนี้ผิดล่ะข้อแปดจะผิดสีแปดเหลือเจ็ดข้อ อ๋อคือมันอยู่ที่เจตนาว่าจะทำเพื่อความงามแล้วก็<ม>ทำให้เกิดกิเลสเแล้วก็ไม่ได้ในฐานะแห่งการแต่งตัวไม่ได้อในฐานะแห่งการแต่งตัวค่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะมีข้ออีกข้อหนึ่งคืออาหารนะท่านคะอาหารนี้ก็คือโอ้โหมันทีนี้บทเพียนชนะของพระเจ้าเนี่ยก็คือว่ารับประทานอาหารมือเดียวเป็นผู้วันหนึ่งฉั้นผลเดียวเว้นการฉันในเวลาวิกาลและเอในเวลาวิกาลและในราตรี ว่าอ่างนั้นคือไม่ใช่การฉันระหว่างมื้อจุกจิตไม่ได้ก็คือผลเดียวว่าวันหนึ่งก็จบแล้วออเหมือนพระพระที่อยู่วัดป่ายเงี้ยนะฉันมือหนึ่งมาหนึ่งมื้อหนึ่งก็สรุปแล้วพอทําได้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกสําหรับทุกๆท่านเวลาทำได้พอทําได้ไม่มีปัญหาเลยอแต่ว่าค่ะพอดีเวลาจํากัดนะท่านคะเล้งคงต้องบอกท่านว่าอย่างวันเนี้ย บางมุมโลกเขาถือนว่าเป็นวันน่ากลัวสุขที่สิบสามชาวพุทธจะคิดยังไงดีคะอ๋อแหมดียะถ้าเราจะผ่านกลางวันมากลางคืนจะตายไปในเวลานี้เนี่ยเราคุณจะต้องพิจารณาว่าปัจจัยความตายมีมากมีอยู่หรือไม่เนอจิตเราที่จะทำให้เมื่อเราตายแล้วไปที่ไม่ดีเอาเรารีบละออกซะค่ะกิจวิญ ด, ดีกว่านะรีบละกว่ามไม่ดีนั่นออกซะนะคะสุขสิบสาม ของคนไทยให้คิดแบบนี้และคงจะต้องคิดอย่างนี้ทุกทุกวันใช่ไหคะขอให้ถือว่าทุกวันวันศุกร์ที่13บสามกันที่ต้องคิดแบบนี้วันนี้ก็นักแสดงขอบพระคุณท่านไพริบูลนะคะท่านจะต้องไปดูแลคอสอีกแล้วแึงคงจะไม่รบกวนท่านในระหว่างคอสนะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่ไปปฏิบัติธรรมกับท่านไพริบูลและกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในรายการนี้นะคะนัการค่ะค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัมนีสนทนาชั่วเวลาเต็นเดียด์เลยนะคะ เราพักเสาร์อาทิตย์ค่ะท่านเพรื่์ไม่พักจะไปจัดรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนเราหมายถึงพระมารชาคาวโรท่านเพรื่นและดิฉันสัสนสมีนาคพมจะมาพบท่านใหม่แน่นอนนะคะเปิดวิทยุมาที่นี่ FM106 ้ตอนตี่5พบกันที่ครอบครัวข่าวสำหรับวันนี้พุทธทวัด ส, สวัสดีค่ะ